เวลา 8:00 ประเทศ สังคมให้หน้า 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท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 ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆจะฟังสปอตนี้เราอ่ะเฮ้ยจริงดิ 200 200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 เพื่อคนที่คุณรักดื่มไม่ 1669 ด้วยความห่วงใหญ่จากความนครพนม เป็นปลัยปรับปฏิบัติ คลุมปากโอ่งหรือตะไคร้ไนล่อนหรือผ้าขาวบางรัตด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข่ปอที่ 2 เทียนน้ำให้แจกกันถังเก็บน้ำทุก 7 มื้อเพื่อตัดวง 3 ปล่อยปลากินน้ำเช่นปลาหางมุก 4 รับปรุงสิ่งแวดล้อม คัดล้างไขยุงลายที่แห่งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ เขาจึงพบกับความสดใสเพราะ 5 ขอเชิญติดตามรับฝั่งรายการเพื่อผู้สูงวัยและบุคลทั่วไปธรรมรับอรุณบรรยายธรรมโดยพระเทพวรรมุณีเจ้าขณจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาดวัดพระทาศพนมทุกวันเวลา 5 น. ถึง 6 น. ทุกวันอาทิตย์เวลา 8 น. ทางสอบทอนครพนม FM 90.25 MHz AM, 90. AM 981 GHz ความสังคมและวัฒนธรรมประชาคมการเมืองและความเดียวหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม 2558 พร้อมก้าวสู่ ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเวลา น. ถึง 6:00 น. และเวลา FM 90.25 AM, 90. <25 S 2> AM 981 แลองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้น เพื่อนํารักกลับมาต้อง วันนี้ รายการอีสานม้วนซึนคืนและ AM 1368 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ 20 จังหวัดรับสัญญารายการไปพร้อมๆกัน 2 3 แล้วนะ 25 กรกฎาคม 2557 ค่ะมา ซึ่งในวันนี้ทางรายการ 2 เดือนค่ะที่ คสช. ครับ 22 เดจจคร บ, 2 เดือนแล้วนะครับในส่วน บ้างในช่วงแรกนะ <Okay. S 1> แต่ 22 เดือนสภาที่ผ่าน ชาวนานะครับเกษตรกรของเรา ทำให้พี่น้องก็เพราะเนื่องจากปัญหาว่าราคา<ใช> ที่เรา มาช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยการผลิต เขตจังหวัดนับที่เป็นหมู่ ทางอำเภอทุกอำเภอนะครับท่านพ่อ นะครับที่จังหวัดทางบุรีรัมย์เพียงแห่ง นะครับอันนี้ก็ยังคงบังคับใช้อยู่ครับค่ะทีนี้ผลการสํารวจ เที่ยงตรงนะครับครับ อันนี้เอ่อผมได้ให้ทาง เมื่อถึง 170 162.8 <ม. S 1> ๆ ออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุ ผลกระทบนะครับบ้าง ทีนี้ก็มา กำนันการในส่วนของผมเองนี่ โดยพาทางเอ่อเทศบาลทาง โดยใช้ดนตรีในสื่อนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ นี้ผมก็ได้ลงไปชี้แจงเองได้ชี้ นะคะอย่างล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ อำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้ ทำไงให้เมืองหลายหลายด้านนะครับทั้งด้าน ทางคารสาเข้าอภัยในชีวิต เป็นตักใจสู่ความสําเร็จโดย ก็ในโครง ปัจจุบันนั้นเราได้ใช้เจ้าหน้าที่นะครับ 64/57 การปฏิบัติอันนี้ไม่ เป็นเท่านั้นเองนะครับๆนะครับ ไปที่แจ้งขอ ให้เอ่อออกจากพื้นที่แตใหให 90% แต่จะมีเอ่อ จะต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ดู ทวนเลี้ยงให้กับราษฎรเทศและประชากรทั้งนี้ ขอบคุณท่านผู้ 2 แล้วนะคะผ่านรายการอีสานม้วนซึน ตามสงบแห่งชาติเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับผู้ สามัคคีกันหญิงวิ่งให้กันไม่ทําร้ายกันสันติสุขความสุขก็จะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยแต่ถ้ามวลมุ่งจะทําร้ายกันความแตกแยกและความ Hiten Pazktá ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของราย จัดส่งวงดนตรียางไปแสดงให้ความบันเทิงกับพี่ เตรียมรวมถึง ค่ะสวัสดีครับผมมาเล่าให้ฟัง แต่ละ ประชาชนแต่ละคู่ภาคส่วนเนี่ยจริงๆเค้า ถ้าเราเห็นประชาชนมีความสุข ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่านโยบายของ แต่บางอยู่ครับแต่เราก็ต้องเข้าแต่<ใช> ผมสังเกตได้จากผลตอบรับนะครับเป็น มีผลไม้ให้บ้าง ระหว่างประชาชนทั่วๆนะฮะทั้งคนที่ไป นะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่ อ่าบรรเลงดนตรีในงานพิธีพระราชพิธีแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ ของของดนตรีการประชาสัมพันธ์เกิดการโครงการ ดูเหมือนว่าทุกส่วนก็จะเข้ามาเหมือนมา ส่วนเค้าจะมีมีจุดลิงก์กันได้แล้ว เหนือร้องเพลงท่าน ทำผู้ทําการบริติสงศักยภูมิส่วนนะครับท่านท่านสนับสนุน ก็คือภาพรวมการปฏิบัติงานสร้าง เถิง 20 จังหวัดขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติด